คำว่าในการก่อนในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นชาติก่อนือสมัยก่อนเสมอไปรวมความว่าถ้าเราต้องการผลของความสุขจะเป็นความร่มรวยในทรัพย์สินก็ดีในฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ก็ดีหรือว่าจะเป็นคนหน้าคนคนดี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 ให้บุคคลทั้งหลายก็เห็นว่าเราเป็นพจนดีมีความสามารถคนที่จะปกครองเขาได้มีความเป็นผู้ใหญ่พอและดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันและอดีตที่แล้วมามักจะมีการสตรายกันอยู่เสมอมีการขอขึ้นเงินเดือนบ้างของเงินสวัสดิการบ้าง การกระทาแบบนั้นถ้าหากว่าเราทำความดีไว้ก่อนมีความดีให้ในจ้างเ็ามีรายได้พอการที่จะขอขึ้นเงินเดือนขอสวัสดิการมันก็เป็นของไม่แปลกแต่ถ้าหากว่าถ้าลูกจ้างทำความดีไม่พอทางานแบบประเภทเช้าชามเย็นชาม งานเขาในจ้างไม่กล้านายามนี้จะขอการึ้นเงินเดือนและขอสวัสดิการก็ไม่เกิดประโยชน์การทำงานทุกอย่างจะเป็นงานรับจ้างก็ดีหรือว่าเป็นงานสวัสดิการก็ดีจะเป็นการทำไร่ไช้นาการค้าการขายก็ดีก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนเสมอคือต้องทำงานทุกอย่าง ถ้าถือเส ม, มือนว่างานนั้นเป็นงานของเราเองทีแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรามีหุ้นส่วนในในการงานนั้นๆ น, นถ้าหากว่าการกระทำงานของเราไม่มีผลให้เกิดขึ้นเป็นผลกาไรก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้ขาดทุนด้วยหรือว่างานนั้นมีผลกําไรน้อย เราก็มีหุ้นส่วนได้รับผลน้อยถ้างานนั้นมีผลมากเราก็มีหุ้นส่วนในการรับผลมากถ้าบรรดาลูกจ้างและกรรมกรทั้งหลายจะเป็นลูกจ้างของรัฐคือข้าราชการก็ดีลูกจ้างของพ่อค้านายทุนทั้งหลายก็ดี ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าการงานทุกอย่างเป็นงานเป็นการงานของตนเองผลที่เราจะได้รับมากหรือน้อยเป็นผลแห่งความสามารถของเราแล้วก็ช่วยกันทํากิจการงานนั้น ด, ด้วยดีเมื่อผลกําไรดีนายจ้างเขาก็ให้เงินดาวเงินเดือน ด, อนดีสวัสดิการดีมาสําหรับนายจ้างก็เหมือนกัน นายจ้างต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกจ้างทุกคนเป็นหุ้นส่วนในจิกาจงานของตนไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างลูกจ้างคนไหนทำงานดีสร้างผลประโยชน์ขึ้นมามากก็ให้รางวัลตามสมควรแก่ความสามารถเป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทาความดีไว้ก่อนคือมีใจดี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 ทำงานประเภทศักว่าไปทำงานวันหนึ่งวันหนึ่งไม่พยายามหาความดีสังสมผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกันในจ้างมากๆอย่างนี้ตนเองก็จะพลอยลําบากไปด้วยเงินดาวเงินเดือนหรือเงินสวัสดิการที่เราจะได้เขาก็ให้เรามากไม่ได้ทํางานนั้นขาดทุนเราเองก็ต้องไป็นู้ล้มละลายคือพ้นจากการงานนั้น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 เมื่อผลกำไรเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยความดีของลูกจ้างก็ที่ต้องเพิ่มพูนเึินดาวเงินเดือนหรือสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามสมควรกับความสามารถคือท่าโลกทั้งโลกมีบุคคลมีความเห็นอย่างนี้สม่ำเสมอกันขอท่านหลายจงคิดว่าพยายามคิดดูว่าโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์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 คือสายของเรานั้นก็อย่าพลอยติดตามเขาไปด้วยถ้าเราอยู่ในหมู่ของบุคคลที่ดื่มสุราไม่ไรถ้าในขณะที่อยู่ร่วมกันเดิมทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ใช่นักดื่มสุราไม่ไรแต่ ว, ว่าคนในที่นั้นเขดื่มกันหมดก็สวนเสีย ห, หาสร้างความสนุกสนาน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 เป็นกลุ่มโจรที่มีกำลังใหญ่เวลานั้นเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองไม่สามารถจะระปราบปรามได้เด็ดขาด <c oughs> ในดินแดนที่โจรอยู่โจรมีอำนาจสามารถจะบังคับให้ชาวบ้านส่งสวยเป็นประจำทุกเดือนหรือว่าเป็นประจำรายการหกเดือนหรือรายปีและบุคคลทั้งหมดในเขตนั้น ก็ต้องอยู่ในอำนาจของโจรโจรต้องการอะไรก็ต้องได้แม้ได้เห็นว่าลูกสาวไข่สวยลูกสาวใข่ดีโจรต้องการไปเป็นพญญยาโจรก็ต้องได้ในเมื่ออำนาจของโจรดีอย่างนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเป็นจนวนมากที่ไม่มีคดียามาก่อนเข้าไปอยู่กับพวกโจรเป็นมากพราะหวังผลประโยชน์อำนาจตามนี้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 ภายในไม่ชาสันดานพันมันก็ค่คอยๆติดคือมันมซึมเข้ามาทีละน้อยละน้อยรู้ว่าจิตใจของคนเราส่วนใหญ่ก็มีกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจเมื่อรมต่ำเคยดึงถุดอยู่แล้วถ้าหากว่าบรรดาพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดพิจารณาสถานที่นั้น ว่าที่นี้เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณีมีความรักซึ่งกันและกันมีความสงสารคอยช่วยวยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในกลุ่มคนกลุ่มนั้นไม่มีความอิจฉาหรือศีลยาซึ่งกันและกันทรงอารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์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 เพราะว่าถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีความดีมีความรักซึ่งกันและกันไม่เคียงนั่นเขาไม่รุกรานกันเขาไม่ประหัตประหารกันไม่แก่งแกล้งกันมีความสงสารซึ่งกันและกันคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอเมื่อพบหน้าคาตากันเมื่อไหร่ก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความชื่นใจให้ปรากฏ อย่างนี้คนในสถานที่นั้นก็มีอารมณ์แต่ความชื่นบานตลอดเวลาเราถึงแม้ว่าจะเลวแสนเลวเพียงใดถ้าไปอยู่ในสถานที่คนกลุ่มใหญ่เขามีจริยาแบบนั้นภายในไม่ช้าจิตใจเราก็จะกลายเป็นใจที่ดีไปด้วยก็ความดีของเจ้าของที่ช่วยให้เราเกิดความดี ก้อนนี้องสมเด็จปัญจสีเปรียบเหมือนกับผ้าที่ต้องถูกสีย้อมผ้าที่มีสีขาวถ้าเราไปพบสีดำสีแดงเข้าไปแตะต้องเข้ามันจะป้วนเข้ามาทีระน้อยละน้อ ย, อยไม่ช้าก็กลายเป็นสีอย่างนั้นถ้าบังเอิญผ้าของเรามีความสกปรกแต่ไปอยู่ใกล้ที่ส ก, กัดความสกปรกได้กับขงสักฟอกชันดี เมื่อกระทกกบกระทั่งกับผมท่านโปรผมชั้นฟอกชั้นดีบ่อยๆเข้าสีที่มีความสกระโปรกก็เกิอดหายไปแยกกลายเป็นผ้าที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้สถานที่อยู่เราก็ต้องเลือกคำว่าเลือกในทีน่นี้หมายถึงว่าเลือกบุคคลที่อยู่ในที่นั้นไม่ใช่เลือกแผ่นดิน ว่าคนในที่นั้นเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนชั่วถ้าเป็นกลุ่มของคนชั่วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่สงควรที่เราจะเข้าไปอยู่เพราะความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตถ้าหากว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่มีคนดีอยู่องคสมเด็จพระบรมครก บ, บอกว่าควรจะอยู่ที่นั้นเพราะเราจะพลอดีไปด้วย การแนะนําคําพระองค์สมเด็จโตสัมมาสพัพพะเตี่ยวที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานี้ในข้อ น, นี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วหรือยังที่ทรงแนะนํามาอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นความถูกหรือความผิดสมควรหรือไม่สมควรเพียงใดขอท่านผู้ฟังท่านาหลายโปรดรับฟังและพิจาาเอาไว้เป็นเครื่อง ถ้พุทธปฏิบัติถ้าเห็นว่าดีก็ปฏิบัติตามนี้ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็โยนทิ้งไปเมื่อนั้นว่าข้อนี้ขอยกไปเมื่อกล่าวมาอย่างนี้ก็ค่อยๆท่านหลายพิ่เจรนาเอาเองว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีเพียงใดเพราะว่าองค์สมเด็จทราจอมตรายสอนแล้วก็ไม่มีการบังคับ ทื่ว่าเห็นควรหรือไม่เห็นควรก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องเขาองสมเด็จพระบิชิตมานจะพึงเข้าไปบงังคับบัญชาอันนี้ข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขอให้ตั้งตนไว้ชอบคําว่าตั้งตนไว้ชอบนี่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 อดเย่ยโ ย, ยงส่งเสริมให้แตกรา้ากันใช้วาจาที่เป็นเครื่องเสเถือนใจกรทมกการทำลายสติสัมปชัญญะอาการอย่างนี้เป็นที่ชอบของเราไหมเราก็คงไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราก็พิจนนารณาต่อไปถ้าคนทุกคนรักกันยินมเย้มแจ่มใสก้าหากัน ถ้าคนทุกคนต่างคนต่างส่งสารช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและคนทุกคนไม่มีความอิจฉาและสยาซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นดีรอินดีด้วยแล้วก็สร้างความดีตามคนทุกคนเป็นคนขี้อายอายความชั่วคนทุกคนเป็นคนเกรงกลัวกลัวความชั่วสร้างแต่ความดี คนทุกคนต่างคนต่างรู้จักคุณซึ่งกันและกันเมื่อบุคคลใดทําความดีให้เกิดเงินตนตนมีความสุขก็ตอบสนองความดีแก่บุคคลนั้นและคนทุกคนต่างคนต่างหินใจซึ่งกันและกันสร้างแต่ความดีไว้เสมออาการอย่างนี้แป็อาการที่เราพอใจไหม ถ้าพอใจก็สแสดงว่าอาการอย่างนั้นเป็นาการที่เราชอบในเมื่อเราชอบแล้วก็ตั้งตนไม่ตามนั้นดังนั้นว่าทําลายความชั่วทรงไว้เสื่งความดีคํามแนะนำพระองค์สมเด็จพระจินทรศีบรมศาสดาในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านหลายเห็นว่าเป็นการสมควรไหม ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้เราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์เป็นอันว่าพิจรารณากันอย่างคนโง่ก็ถือว่าถ้าดินแดนแห่งใดและคนหมู่ใดขณะใดก็ตามถ้าต่างคนต่างมีความดีตามนั้นอาการจิตใจก็จะเต็มความปริความชุมชนและอาจารย์าจาร์ก็จะมีแตความสุข หาความเศร้าหมองใจไม่ได้ไม่ได้ความรื่นเรือหันษาการงานที่เราทําก็ทําปด้ดยความสุขไม่ต้องเกรงว่าใครเขาจะมาลักมาขโมยสิ่งของกาเดินทางไปทั้งไหนก็ปราศจากอันตรายไม่ต้องระแวงระวังระวังภัยที่จะเข้ามาทิ้งตนการคนต่างเป็นที่รักของคนด้วยกันอย่างนี้พระบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่าน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 ตำรับตำราไม่ตั้งใจดูเวลาผลที่จะฟังได้ในเวลาสอบก็คือสอบตกแต่หากว่าเราตั้งใจฟังมากตั้งใจศึกษาดีเวลาสอบก็สอบได้ถ้าสอบได้ก็ได้อย่างคนมีสมรรถภาพไม่ใช่สักจะวันได้เพราะว่าการได้ยินได้ฟังเป็นบอ่อเหตุเป็นเหตุให้เกิดปัญญา การตั้งใจในการเรียนรเป็นเหตุให้เกิดความสามารถทั้งสองอย่างนี้ถ้ามารวมกันในตัวของบุคคลบุคคลนั้นจะมีทั้งปัญญาและความสามารถจะทําทกิจการงานทุกอย่างอะไรก็ตามก็สําเร็จผลและก็สําเร็จด้วยดีคําแนะนำขององสมเด็จพระจินสีในตอนนี้ท่านผู้ฟัง จเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกแล้วหรือยังถ้ายัางจเจ้ายังไงกันดีเ็นว่าดีก็รับไฟเ็นไม่ดีก็โยนทิ้งไปที่พูดในฟางนี้ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตามเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่มีน้ำใจคับแคบและไม่มีน้ำใจสามอย่างนั้น องสมเด็จพระพระกวันเทวว่าเป็นผู้แนะนําชี้ทางให้เท่านั้นเต้นว่าสมคนรจะนําไปใช้ได้ก็อไปใช้เห็นว่าไม่สมควรจะนําไปใช้ก็อย่าใช้เพราะนั้นว่าถ้าเราวัมนั่งคิดกลับหลังกันโดยทีว่าคนที่ไม่ยอมรับฟังคําแนะนําคําสั่งสอนคําตักเต่งเขาเป็นคนเอง แบบคนนี้เกลีาดขร้นขัในการศึกษาศิลปะวิทยาการเอาแต่ที่เดินยย่เย่ยยกันมีอะไรสะดุดที่ไหนยุ่งที่นั่นคนประเภทนี้จะมีความดีความสามารถมาจากไหนถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้ายะสอบได้ก็คงจะมีแต่กระดาษ เ, เครื่องเรับรองเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสามารถ สำรับข้อนี้ก็ขอผ่านไปข้อต่อไปองค์สมเด็ดเจไปจอมใจต้องทัดรู้ว่าจงเป็นผู้มีระเบียบและการศึกษาดีแล้วคือระเบียบได้กับความประพฤตดีระพฤตชอบในสถานที่ใดก็วางกฎไว้ประเภทไหนวางกฎไว้อย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้น ล้วการศึกษาศิลปะวิียาก็เต็มไปทำให้เต็มความสามารถทรงจาให้ดีทุกถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราจำได้หมดอย่างนี้ดีหรือชั่วโลกเราที่ปราศจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเวลานี้ ที่มีความยุ่งยุ่งเราก็เป็นการปราศจากระเบียบไม่เคารพในระเบียบเป็นสําคัญเรื่องระเบียบระวินไหนคืวินัยเราก็เรียกคมาระเบียบกฎหมายเราก็เรียกคมาระเบียบประเพณีเราก็เรียกมาระเบียบศีลธรรมเราก็เรียกมาระเบียบจะย้อนหลังไปสมัยที่มียุวชนทหารที่ป้นจอมจอมคนที่บุญสงคราม ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในอดีตยักษ์ไกลๆสมัยนั้นคนไทยมีระเบียบ ด, ดีถึงแม้ว่าที่ไม่ดีจะมีอยู่บ้างก็ตามทีแต่ถือว่าความที่เป็นบุคคลที่มีระเบียบในฐานะที่เป็นสชาตินิยมก็รู้สึกว่าเขายังมีความสุขกันมากท้าวบรรดาท่านพุทธบริษัทข้อนี้ถ้าจะพูดไปเวลามันก็เกินไปเสียแล้วก็ต้องขอลาก่อน รับฟังกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์ุณผลจงมีแด่บรรดานท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี